บทที่สิบเก้าชาวโลกทิพย์ทำงานอย่างไรบ้างเท่<น labor> <il> า <standards> ที่บรรยายมาแล้วตั้งแต่ต้นนั้นข้าพเจ้าหวังว่าคงจะพอทำให้ท่านเข้าใจได้ดีว่าโลกทิพย์ไม่ได้เป็นโลกแห่งความเกียดคร้านและชาวโลกทิพย์ไม่ได้สวัสสุขหรือสวดมนต์ภาวนากันท่ายเดียวอันที่จริงชาวโลกทิพย์ทุกคนทำการงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย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 และด้วยความสะดวกสบายยิ่งขึ้นกว่าเดิมณที่นี้วัตถุดิบสําหรับท่านจะมีอยู่อย่างพร้อมบริบูรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สําหรับทดลองต่างๆท่านก็สามารถจะสร้างสารรค์ขึ้นได้ตามความต้องการอันที่จริงการค้นคว้าทางวิชาการเหล่านี้เราได้ดําเนินงานไปไกลกว่าโลกมนุษย์มากทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และอื่ น, นๆการค้นคว้าดังกล่าวนี้เราได้กระทําไป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 หรือเห็นผิดเป็นชอบขึ้นมาเมื่อใดซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วโลกจะต้องถึงความพินาศกันหมดสิน้นในทางแพทย์ก็เช่นเดียวกันผู้ที่เคยเป็นแพทย์มาก่อนก็มาทําการค้นคว้าต่อได้นาที่นี้และท่านก็จะเห็นว่างานค้นคว้าเช่นนี้เป็นเรื่องช่วยชาวโลกมนุษย์โดยเฉพาะเพราะในโลกทิพย์เช่นนี้ เรื่องโรคภัยแค่เจ็บต่างๆของร่างกายนั้นไม่มีปัญหาอันใดสำหรับพวกเราเลยท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ข้าพเจ้าก็จะขอบอกว่าวงการแพทย์ของชาวโลกมนุษย์โดยเฉพาะสรัรยกรรมได้อาศัยแรงบันดาลใจจากโลกทิพย์อยู่ไม่น้อยกล่าวอีกในยะหนึ่งก็หมายความว่าศัลยแพทย์ของโลกทิพย์ได้ช่วยจับมือสรลยแพทย์ที่เป็นมนุษย์ ทำให้เขาได้ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดมาเสียนักต่อ น, นักแล้วในแพทย์ของชาวโลกมนุษย์ส่วนมากคงจะหัวเราะย่อความจริงข้อนี้ก็เป็นได้แต่นั่นก็ไม่ทำให้พวกเขาน้อยใจหรือท้อถอยได้อย่างใดเราถือว่าการกระทำเช่นนี้เป็นกุศลกรรมที่ทุกคนควรจะต้องทำในเมื่อมีโอกาสที่จะทำได้ตามกาลังความสามารถเราต้องการแต่เพียงผลของงานเท่านั้น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 บรรดานักบวชไม่ว่าในนิกายใดหรือผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเช่นนี้มาแต่เดิมเมื่อได้ตายจากโลกมนุษย์มาแล้วก็มักจะเข้าประจำอยู่ในงานแผนกนี้เสียโดยมากวิญญาณของชาวโลกมนุษย์ซึ่งได้พากายเนื้อและถูกนำมาสู่ที่นี้ในวันหนึ่งหนึ่นั้นมีจำนวนมากมายเหลือเกินส่วนมากก็ล้วนมีความหลงผิดในเรื่องเช่นนี้มาแล้วทั้งสิน้นเมื่อนามาสู่ห้องพักฟื้น ดังที่เคยได้กล่าวไว้แล้วบรรดาแพทย์และพยาบาลผู้มีหน้าที่คอยดูแล ว, วิญญาณเหล่านี้ก็ต้องทํางานกันอย่างหนักทั้งก่อนที่วิญญาณนั้นจะรู้สึกตัวและหลังจากที่ได้กลับรู้สึกตัวฟื้นขึ้นมาแล้วอีกระยะหนึ่งนอกจากนั้นเนื่องจากการตายของชาวโลกมนุษย์มีหลายอย่างหลายประเภทเช่นบางก็ตายด้วยโรคซึ่งมีทรมานมากมายนักบางก็ตายด้วยโรคซึ่งเต็มไปด้วยความทรมานมาก และบางก็ตายดอปัจจุบันทันด่วนไม่ทันที่เตรียมตัวเตรียมใจเวรับรองสภาวะใหม่เลยการปฏิบัติต่อวิญญาณต่างประเภทและต่างอัธยาศัยเช่นนี้จึงต้องมีวิธีต่างๆกันอาคารประเภทนี้ต้องขยายออกไปอีกเรื่อยๆเพื่อรับวิญญาณของผู้หลงผิดซึ่งจะมีจำนวนแอบอดยัดเยียอมาขึ้นทุกวัน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยไม่หยุดหย่อนอันที่จริงกิดแล้วก็เป็นการน่าละอายและน่าสังเวชเหลือเกินที่ชาวโลกมนุษย์ในปัจจุบันนี้แม้จะมีความเจริญในทางด้านวัตถุสักเพียงไรก็มีจิตใจโง่เขลาเสมือนกับเด็กๆไม่รู้เดียงสาฉะนนั้นด้วยเหตุดังกล่าวมาเราจึงต้องมีการอบรมเจ้าหน้าที่ของเราเสียก่อน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 กเกิดความรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากมายและต่อจากนั้นก็เกิดความกระตือรือร้นอยากจะกลับไปหาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงทั้งโลกมนุษย์เพื่อบอกให้ทราบว่าตนได้มีชีวิตอยู่อย่างสมบูรณ์กว่าชีวิตในโลกมนุษย์เสียด้วยซ้ำทั้งๆ ท, ที่ได้ตายมาแล้วยังมีงานอีกประเภทหนึ่งซึ่งมีขอบเขตใหญ่โตและกว้างขวางมาก มีอาคารที่ทำงานใหญ่โตมโหรานเช่นเดียวกันงานประเภทนี้ถ้าจะกล่าวตามํำนวนของชาวโลกมนุษย์ก็เห็นจะพอเทียบกันได้กับงานประชาสัมพันธ์และสารบันรวมกัน ป, ปังปังดูอาจจะน่าขบขันอยู่บ้างสำหรับท่านที่ถือคติในใจโมเมเอว่าชาวโลกทิพย์ไม่ควรจะต้องทำอะไรนอกจากสวดมนต์ไหว้พระหรือร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาบางท่านอาจจะไม่รู้สึกบขบคันนัก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 และจะผ่านเข้ามาสู่โลกทิพนี้อย่างใดหรือเมื่อไรก็จะขอทราบได้จากเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานนี้ข้อความที่จะบอกให้นั้นเป็นอันรับรองได้ว่าไม่มีผิดพลาดนอกจากนั้นผู้ที่เข้ามาสู่โลกทิพนี้ใหม่ๆหากต้องการสอบถามถึงผู้ที่คุ้นเคยรู้จักกันซึ่งผ่านเข้ามาสู่โลกทิพนี้ก่อนแล้วก็จะถามได้จากที่นี้เช่นเดียวกัน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 ท่านผู้นั้นก็จะบอกให้สำนักงานประชาสัมพันธ์เช่นว่านี้และบรรดาแพทย์ที่ประจำอยู่ที่สถานพักฟื้นของวิญญาณให้ทราบก่อนต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์กลางก็จะได้จัดแบ่งหน้าที่กันไปเป็นพวกพวกเพื่อให้ไปทาหน้าที่ได้ตามวันเวลาและสถานที่ที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น การพบปะกับบุคคลผู้มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์การตายจากโลกมนุษย์มาเกิดใหม่ในโลกทิพนี้แม้จะเป็นการต้องพลัดพรากจากบุตรภรรยาและญาติพี่น้องทั้งโลกมนุษย์มาบ้างก็ตามแต่ก็มีส่วนอื่นชดเชยได้คุ้มกันคือเราสามารถจะได้พบปากกับบุคคลที่ล่วงลับมา่อนเราได้อย่างสนิทสนมเหมือนเช่นเดิมเราไม่ว่าเราจะนึกถึงผู้ใด ถ้าผู้นั้นอยู่ในภูมิที่พอจะมาหากันได้แล้วก็จะได้พบปากกันทันทีนอกจากนั้นสภาวะของโลกทิพย์อันมีสิ่งตรการตาแปลกๆใหม่ๆผิดกว่าโลกมนุษย์นั้นก็จะทำให้ผู้มาใหม่ตื่นเต้นคือต้องเสียเวลาซักซ้ายไต่ถามและสำรวจชมภูมิประเทศกันอยู่ไม่น้อยเหมือนกันในจำนวนบุคคลที่ได้ล่วงลับมาสู่โลกทิพย์ก่อนเรานั้นมีปัญหาหน้าคิดอยู่ประการหนึ่งคือ บุคคลที่มีชื่อเสียงใหญ่โตในประวัติศาสตร์ของโลกนั้นเวลานี้ท่านยังอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าขอตอบว่าบุคคลเหล่านั้นมีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในภูมิอันหาความเจริญไม่ได้ทั้งที่ปรากฏว่าเขามีตำแหน่งใหญ่โตหรือเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์บุคคลเหล่านี้ได้อยู่ในอาบาเนรกเช่นนั้นมาเป็นเวลาหลายร้อยหลายพันปีแล้ว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 ชนิดที่เขาไม่เคยได้คิดมาตัแต่ก่อนเลยหลักการของชาวโลกทิพย์มีอยู่ประการเดียวเท่านั้นคือเราวัดความดีเลวของบุคคลกันด้วยความราณีตแห่งจิตของเรานั่นเองความเกี่ยวข้องระหว่างโลกทิพย์กับโลกมนุษย์ เรื่องความเกี่ยวข้องระหว่างโลกทิพย์กับโลกมนุษย์นี้เป็นเรื่องลึกลับที่เข้าใจผิดกันมาเป็นเวลานานทั้งในฝ่ายผู้ที่เชื่อว่าไม่มีโลกทิพย์และแม้นในฝ่ายที่เชื่อว่ามีด้วยสำหรับพวกแรกที่เชื่อว่าไม่มีนั้นไม่เป็นอันต้องกล่าวอย่างใดแต่สำหรับบุคคลประเภทหลังที่เชื่อว่ามีโลกทิพย์อยู่จริงแต่ไม่เชื่อว่าโลกทั้งสองนี้จะติดต่อกันได้นั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง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 เทพประเภทนี้มาจากบุคคลทุกชาติทุกภาษาในโลกมนุษย์มีทั้งชาวตะวันออกชาวตะวันตกตลอดจนถึงชนเผ่าอเมริกันอินเดียนแต่ส่วนมากมักเป็นชาวตะวันออกทั้งนี้เพราะชาวตะวันออกโดยทั่วไปมีพื้นอธัธยาสัยและความสามารถในด้านนี้ดีกว่าชาวตะวันตกท่านเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพิเศษประการหนึ่งเหมือนกันทั้งสิ้น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 ทั้งนี้เพื่อจะได้มีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและสามารถโดนใจบุคคลที่ตนประจำรักษาได้ดีขึ้นส่วนมากเทพพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์ก็เคยได้ทำความเพียรมาแล้วเคยทาความผิดพลาดล้มเหลวและได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ดีขึ้นมาแล้วจึงรู้จิตใจและท่าทีของผู้ที่ตนรักษาได้ดีสามารถเข้าใจว่าควรจะช่วยเหลือหรือห้ามปรามบุคคลนั้นๆในเวลาใด และด้วยวิธีใดบ้างในงานศิลปะประเภทต่างๆเทพพวกนี้มีส่วนช่วยเหลือในการดลจิตใจศิลปินประเภทนั้นๆให้บรรลุผลสำเร็จดียิ่งมาแล้วเป็นจำนวนไม่น้อยทั้งนี้เพราะเทพผู้เคยมีอาชีพประเภทใดมาก่อนก็มักจะเข้าทาการคุ้มครองรักษาบุคคลผู้มีอาชีพประเภทนั้นซึ่งสามารถทำให้งานของบุคคลนั้น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 ต้องทำหน้าที่ของตนไปโดยอีกฝ่ายหนึ่งหารู้ตัวไม่ในกรณีเช่นนี้เมื่อกระแสจิตของทั้งสองฝ่ายมิได้มีการติดต่อกันความช่วยเหลือหรือการโดนใจอย่างหนึ่งอย่างใดก็ทำได้ด้วยความยากอย่างยิ่งบ่อยครั้งทีผู้รักษามนุษย์ต้องเศร้าสลดใจในการที่ไม่สามารถจะห้าบุคคลที่ตนรักษาไว้นั้นมิให้กระทาผิดพลาดได้ ทั้งนี้เพราะบุคคลนั้นไม่ยอมเชื่อหรือรับรู้ในความจริงข้อนี้เสียเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็หมดความสามารถที่เทพผู้หวังดีจะช่วยเหลือได้นอกจากทนดูความผิดพลาดของบุคคลนั้นต่อไปอย่างเงี ย, งยบๆจนกว่านานๆครั้งจึงจะได้โอกาสสักคราวหนึ่งที่บุคคลผู้หลงผิดเหล่านี้เมื่อมารู้ความจริงในภายหลังก็จะพากันคร่ำครวญถึงความโง่เขลาและความดื้อดึงของตนอย่างน่าเสียดายยิ่ง ที่เป็นเช่นนี้ก็มีหลักอยู่ว่ามนุษย์ทุกคนมีเจตนารมอันเป็นเสรีของเขาเองอยู่เสมอทั้งนี้หมายความว่าหากเขามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่อย่างหนึ่งอย่างใดลงไปแล้วจะเป็นไปในทางดีหรือชั่วก็ตามย่อมไม่มีผู้ใดาสามารถขัดขวางเขาไว้ได้หน้าที่ของเทพผู้รักษามนุษย์ก็มีอยู่แต่เพียงว่าช่วยดลใจให้เขาดําเนินไปในทางที่ดีที่ชอบ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 เรื่องเทพประจำตัวมนุษย์นี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ผู้ไม่เชื่อหัวเราะยออ ก, กันมากแต่สำหรับชาวโลกที่ถือว่าความจริงย่อมเป็นความจริงอยู่เสมอไปและได้เห็นประจักษ์มานักตอนนักแล้วว่าผู้ที่หัวราะเยาะเหล่านั้นเมื่อได้มารู้ความจริงในภายหลังเข้าแล้วจะต้องรู้สึกสลดใจในความอวดฉลาดของตนเป็นอย่างยิ่งทุกรายไปความจริง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 พยายามปฏิเสธความจริงเรื่องนี้อย่างแข็งขันหากมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นไปของโลกทิพย์ขึ้นมาเมื่อใดทางศาสนาก็มักจะหาความเอาง่ายๆว่าเป็นเรื่องของผู้ผีปีศาจมารร้ายมาแกล้งมนุษย์ไปเสหมดน่าสังเวชอย่างยิ่งที่นักบวชผู้โง่เขลาเหล่านี้ได้นําประชาชนให้หลงเข้าใจผิดจากทํานองคลองทำมาเป็นเวลา น, านานนักหนาแล้ว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 อาจกล่าวได้ว่าหากไม่ใช่เป็นเพราะความช่วยเหลือของเทพซึ่งเป็นฝ่ายกุศลคือปล่อยให้เป็นเรื่องของปีศาจ ต, ตามลําพังดังที่ท่านนักบวชเหล่านั้นคิดเอาแล้วป่านี้โลกมนุษย์ก็คงจะถึงความพิ่น่าล่มจมไปแล้วอย่างแน่นอนจริงอยู่ในบนัดนี้เรายังไม่สามารถทําการช่วยเหลือชาวโลกมนุษย์ได้อย่างกว้างขวางนักทั้งนี้เป็นเพราะเหตุประการเดียวคือจิตใจของมนุษย์ส่วนมาก ยังมืดมิดเหลือเกินตาใจของเขายังบอดกันเป็นส่วนมากเขา้าพากันปฏิเสธช่องทางแห่งความช่วยเหลือที่เราจะเข้าถึงได้เสียเกือบหมดสิน้นแต่เราก็ยังไม่หมดความพยายามเราคงดำเนิน ง, งานของเราต่อไปโดยไม่หยุดยัง้งเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวโลกมนุษย์นั่นเองวันหนึ่งเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงมนุษย์คงจะได้ประจักษ์ความจริงข้อนี้มากขึ้น หาเหตุเพิ่มเติมจากผู้บันทึกเสียงในเรื่องการทํางานนั้นขอเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับสําหรับการวิจัยทางการแพทย์หรืออื่นๆที่บอกว่าเพื่อช่วยชาวโลกนั้นคือเมื่อท่านได้ความรู้ใหม่ๆการจะถ่ายทอดความรู้จะทําโดยการเพ่งสมาธิไปที่แพทย์ในโลกที่สามารถสื่อถึงกันได้คลายการโดนใจให้คิดแล้วก็จะพบว่าบางครั้งหลับคิดอะไรขึ้นมาได้แบบคาดไม่ถึงเหมือนพุดขึ้นมาเอง นี่คือตัวอย่างหนึ่งของการช่วยส่งความรู้จากเทวดาแต่คงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับบางครั้งก็เป็นความรู้เดิมของผู้นั้นหรือํำลังสมาธิที่ทำให้เกิดยานปัญญาขึ้นมาได้บางคนเคยเป็นหมอมนในชาติก่อนพอนั่งสมาธิก็เลยสามารถดึงเอาความรู้เก่าในจิตใต้สํานึกออกมาจึงรู้สูตรยาหรือวิธีรักษาและมีตัวอย่างจำนวนมากที่ต่างชาติเขาทดลองกันไว้นะครับคือการสะกดจิต จนอยู่ระลึกชาติได้มีกรณีที่เด่นก็คือการสะกดจิตชาวนาชาวไร่คนหนึ่งที่ไม่เคยฝึกหัดดนตรีมาก่อนแต่หลังสะกดให้ตกภาวางนั้นได้เล่นเป็นโนออกมาอย่างชำนาญจากการทดลองก็พบว่าในชาติก่อนนั้นเขาเคยเป็นนักดนตรีมาก่อนนั่นเองสำหรับการวิจัยในโลกทิพนั้นหากไม่ได้ถ่ายทอดให้ใครก็จะเป็นความทรงจำติดอยู่ที่จิตเมื่อถึงราวกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะฉลาดเหนือเด็กคนอื่นกลายเป็นอาจฉริยะที่หาตัวจับยากโดยมักจะมีใจไฟในด้านที่ํำนานแต่เด็กแต่ก็ต้องมีปัจจัยแวดล้อมเหมาะสมทั้งพ่อแม่ที่สนับสนุนประกอบกับจิตที่มีสมาธิมากพอจะดึงความรู้เก่าออกมาได้เต็มที่และสิ่งเกินหนุนอีกมากที่จะส่งให้แสดงศักยภาพได้สูงสุด หากเป็นคนช่างคิดวิเคราะห์แต่เกิดมาเจอระบบการศึกษาแย่ๆที่เอาแต่บังคับให้เชื่อให้ทำตามห้ามสงสัยห้ามสนห้ามแตกต่างก็อาจทำลายอาชฉรยะให้กลายเป็นแค่ชนชั้นแรงงานไปได้เหมือนกันนะครับเหมือนที่เขาพูดกันว่าถ้าสตีฟจ็อบหรือบิลเกตมาเกิดในบางประเทศเราอาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีสมาร์ทโฟนใช้กันอยู่แบบทุกวันนี้ก็ได้ชีวิตที่ต้องเติบโตไม่ได้ทรงผมที่เหมือนกันไปทุกคน หรือทรงที่ทําให้ไร้ความมั่นใจมีชีวิตวัยเด็กกล้ายถูกจับเข้าโรงฝึกสัตว์ที่ทุกอย่างเหมือนกันไปหมดก็คงยากนะครับที่จะสร้างคนให้เป็นอัจฉริยะที่แตกต่างได้ง่ายๆเด็กแต่ละคนมีความอยากมีลักษณะเด่นของตัวเองมีจริตต่างกันเมื่อถูกกดไว้มากเกินไปสะสมไว้นานถึงเวลาก็ระเบิดออกมาเป็นการเด่นในด้านผิดได้อีกมากมายจนเกินคาดเดาเนะครับอัจฉริยะเด็กมากมายที่ต้องเรียนอยู่กับบ้าน โดยพ่อแม่สอนเองหรือไม่ก็ไปเรียนในโรงเรียนพิเศษเฉพาะทางเท่านั้นทั้งนี้ก็ไม่ปฏิเสธนะครับว่าระบบการศึกษาที่ไม่ดีนั้นจะไม่มีอัจฉริยะเกิดขึ้นก็มีทางเป็นไปได้นะครับแต่ก็น้อยกว่าที่ควรจะเป็นและส่วนใหญ่แม้เป็นอัจฉริยะทางการศึกษาในด้านในดนด้านหนึ่งแต่เราจะพบว่าความเก็บกดในทางจิตใจที่สะสมมาตั้งแต่เด็กนั้นรอคอยประทุเป็นความผิดปกติทางจิต หรือเป็นแรงกดดันที่ส่งผลเสียหายได้อีกมากมายในอนาคตตัวอย่างระดับโลกก็มีนะครับเช่นไมเ a e l แจ็กสันต้องทำงานตั้งแต่เด็กไม่มีวัยเด็กที่เหมาะสมไม่ได้เที่ยวเล่นแบบเด็กความเก็บกดเหล่านี้ในที่สุดก็มาระเบิดตอนโตจนต้องทุ่มเงินจำนวนมากไปกับการสร้างสวนสนุกนั้นและรับเด็กมาเลี้ยงไวมากมายเพื่อชดเชยวัยเด็กที่หายไปและในที่สุดก็ต้องมีภาระหนี้สินจานวนมากกับการสร้างสวนสนุกนั้น ที่ตามข่าวก็ว่าจึงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อหาเงินให้มากขึ้นจนในที่สุดก็เสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรและทั้งชีวิตก็ไม่อาจประสบกับความสุขอันแท้จริงที่ควรจะมีจะเป็นในฐานะมนุษย์คนหนึ่งได้เลยเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ฝากไว้สำหรับผู้ใหญ่หลายคนนะครับที่ชอบบังคับเด็กให้ทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบให้มีตัวตนในแบบที่เขาไม่ชอบซึ่งสุดท้ายแล้วแรงกดดันนี้จะส่งผลเสียให้มากมายในอนาคต แม้จะดูภายนอกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่ก็ตามสำหรับเรื่องเทพประจำตัวขอให้เข้าใจนะครับว่าไม่ใช่เทวดาจะมาเดินตามต้อยๆท่านก็อยู่ของท่านเพียงแต่กระแสจิตเชื่อมโยงกันภาวะจิต ท, ที่เกิดภัยหรืออกุศลจิตก็รับรู้ได้ทันทีการเดินทางด้วยใจอยู่ที่ไหนก็มาถึงได้ทันทีในกรณีเป็นเทวดามีฤทธ จะช่วยบางเรื่องได้ก็เพราะเราต้องมีบุญพอด้วยไม่ใช่การติดสินบนที่ของชั้นต่ำอย่างที่ทำกันอย่าลืมนะครับว่าเทวดามีของทิพย์อาหารประทัดสารพัดสิ่งที่นำมาถวายลองคิดดูเองนะครับว่าแค่ความหลงผิดของคนหรือว่าท่านอยากได้จริงๆงบางทีก็แค่พูดผีปีศาจมาสวมรอยรอของถวายพวกนี้นะครับเรื่องเทวดาประจาตัวครูบาอาจารย์บางท่านก็ว่าถ้าจะมีจริง ก็คือคนที่ผูกพันกันตอนเป็นมนุษย์และมีบุญมากจนไปเกิดเป็นเทวดาแต่ที่แน่นอนก็คือคนที่จิตใจดีมีเมตตาเป็นคนดีจริงๆนั้นเทวดาทุกที่ย่อมเอ็นดูอยากช่วยเหลือเป็นปกติสมดังอา น, นิสงส์แห่งการเจริญเมตตาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือข้อที่สี่เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลายข้อที่หเทวดาย่อมรักษาการช่วยมนุษย์ยังถือเป็นการสร้างบารมีสร้างบุญ เป็นการพัฒนาจิตของท่านไปด้วยและพื้นฐานจิตที่ดีย่อมอยากช่วยคนอื่นเป็นธรรมดานะครับการได้สัมผัสชีวิตมนุษย์นั้นจะมีโอกาสได้เห็นสัจธรรมความไม่เที่ยงและอื่นๆที่หาไม่ได้ในสวรรค์นี่คือทางเลือกหนึ่งของเทวดาบางท่านที่เต็มใจช่วยด้วยจิตเมตตาสําหรับการช่วยเหลือของท่านที่เป็นหลักก็คือการเพ่งกระแาจิตส่งมาที่เราเหมือนมีความคิดบางอย่างผุดขึ้นทั้งมาแนะนําตักเตือน ให้คิดอะไรขึ้นมาในแบบที่ไม่คิดว่าจะคิดได้แบบนี้มาก่อนอย่างเช่นขอให้รวยก็ไม่ใช่จะให้ถูกหวยหรือโชคดีอะไรง่ายๆเพราะการได้ลาบลอยแบบนั้นต้องเคยทำบุญชนิดที่เคยเปลี่ยนชีวิตใครมาก่อนเท่านั้นเทวดาจะช่วยได้จริงจะเป็นในแง่ของการเร่งผลบุญที่ใกลออกผลให้ส่งผลอเร็วขึ้นหรือช่วยได้ตามบุญลวิบากที่มีเท่านั้นช่วยเกินกว่านั้นไม่ได้ บางครั้งถ้าขอให้รวยท่านอาจช่วยในแง่ส่งกระแสจิตดลใจให้เปลี่ยนงานหรือคิดหาช่องทางทำอาชีพใหม่ๆได้ง่ายขึ้นหรือดลใจให้รู้สึกไม่ชอบคนบางคนที่จะเข้ามาทำชีวิตพังได้ทำให้ต้องอยู่ห่างกับคนพวกนั้นคือเป็นเหมือนผู้ใหญ่ใจดีมาคอยเตือนชี้แนะทางดีๆให้สำคัญก็คือเราจะดื้อด้านคานกับความคิดที่ผุดมาในหัวหรือไม่เท่านั้น ส่วนที่มาเตือนทางกายภาพก็เป็นไปได้น้อยมากแต่ก็มีอยู่บ้างนะครับต้องเป็นเทวดาที่มีพลังสูงจริงหรือมีสัมพันธ์มีการจูนจิตมาตรงกันพอดีอาจมา้เห็นตอนหลับการได้กลิ่นได้ยินเสียงหรือเป็นเพียงภาพนิมิตให้เราเห็นคนเดียวแต่ก็มีบ้างที่ใช้วิธีสะกดสัตว์บางประเภทให้ทําบางอย่างเพื่อเป็นการมาตักเตือนเราได้ส่วนตัวแล้วได้เจอมากับตัวเองเยอะมากทั้งในภาพนิมิตในสมาธิ ทั้งปรากฏตัวให้เจอแบบชังจังทั้งกลิ่นทั้งเสียงทั้งการดวลใจในรูปแบบต่างๆแล้วพราะเจอเรื่องพวกนี้มาเยอะนะครับเลยทำให้พยายามหาคำตอบจนได้มนับถือศาสนาพุทธในที่สุดขอฝากไว้สำหรับคนที่ชอบบูชาเทวดานะครับถ้าจะรักทางนี้ก็ต้องไปให้สุดคือต้องศึกษาให้เข้าใจจริงก่อนด้วยว่าเทวดามีกี่ระดับแบบไหนคือเทวดาจริงแบบไหนคือเรื่องแต่ง ที่เป็นกุสโลบายเอาคุณธรรมมาสมมุติเป็นบุคคลให้จับต้องได้ถ้ามีจริงจริงอย่างไรช่วยเราได้แค่ไหนควรวางใจเรื่องนี้อย่างไรควรศึกษาเรื่องเทวตานุสติให้เข้าใจเพื่อเป็นการบูชาที่เกิดประโยชน์ได้จริงแนะนําให้ศึกษาและฟังได้จากชุดโลกหลังความตายที่กําลังจัดทําและจัดทําไปแล้วนะครับโดยเฉพาะงานของสํานักค้นคว้าทางวิญญาณในแง่ของอํานาจดุลบันดาล น, นั้นขอแนะนําให้ศึกษาจากหนังสือเรื่อง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์พรและยังมีงานของสมเด็จพระพุทธโคส า, าจารย์ปอปรปยุตโตอีกหลายเรื่องที่ทางจุมรมผลดีจะทำไว้แล้วเช่นเรื่องอิทิปาฏิหารเทวดาซึ่งเป็นตอนหนึ่งในหนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยายจะทำให้ท่านเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ตรงทางมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านต่อไปนะครับ